หญิงรีดนมวัวผู้เพอร์ฟอร์มมีหญิงสาวชื่อกีตา้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆกับยายเขาเธอกีตามีอาชีพรีดนมวัวขายเธอมีมัวอยู่สองตัวทุกๆวันกีตาจะรีดนมวัวและทนถังนมไว้บนศรีศรษะไปหมู่บ้านไกลๆหลังจากขายนมวัวเสร็จแล้วเธอก็จะกลับถึงบ้านช่วงค่ากีตาดูแลวัวเป็นอย่างดี ทั่งให้อาหารดูแลรักษาความสะอาดคุณยายรักกีต้ามากแต่กีต้าเพ้อฝันบ่อย mm hmm. เธอฝันว่าสักวันหนึ่งจะมีเงินร่ำรวยความเพ้อฝันของเธอมันจะก่อปัญหาอยู่เสมอกีต้าวัวออกไปหมดแล้วเดี๋ยวก็หลงหายอีกหรอกทำไมไม่ตั้งใจเฝ้ามันให้ดีเออขอโทษค่ะคุณยายหนูกาลังฝันเออคือคิดอะไรเพลินๆน่ะ โอ้อยายรู้นะว่าหนูกาลังคิดอะไรอยู่ชอบฝันว่าอยากมีเงินอยากรวยต้องขยันให้มากกว่านี้รู้ไหมแค่ฝันอย่างเดียวไม่ทําให้รวยขึ้นมาหรอกมัวแต่เพ้อฝันจนใจลอยสักวันมันจะทำให้เราลำบากนะแต่กีตา้าไม่เชื่อเธอไม่เคยหยุดเพ้อฝันวันหนึ่งขณะที่กีตา้ากาลังจะออกไปขายนมวัวยายเรียกกีตา้าเข้ามาในห้องครัว นี่หลานจ้าวันนี้ไม่ต้องไปขายนมวัวที่ตลาดหรอกนะทําไมละ่ะคะคุณยายพรุ่งนี้หมู่บ้านข้างๆจะมีงานแต่งใหญ่โตครอบครัวาสาพันจะฉลองงานแต่งลูกสาวคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านใกล้ๆก็จะไปงานแต่งด้วยนะเข้าใจไหมเอองานแต่งงานใหญ่แน่เลยคนรวยคงมากันเยอะเลย แต่ว่าคุณยายคะทําไมเราถึงไม่ขายนมครอบครัวาสาพานจะไม่พอใจเราอย่างนั้นลรอคะโอ้ <c oughs> เด็กน้อยไม่ใช่อย่างนั้นครอบครัวาสาพานอยากให้เพาะครัวทําขนมอรอ่ อ, รอยๆหลายชนิด <c oughs> เขาขอให้ยายส่งนม ส, สดๆให้เธอถังใหญ่หนึ่งถังเอาไว้ทําขนมนะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่า เขาจะจ่ายเราสองเท่าจากราคาปกติที่เราขายอยู่ที่ตลาดสดมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เงินเพิ่มและเป็นที่รู้จักในหมู่บ้านใกล้เรือนเคียงจ่ายสองเท่าหรอคะยายคะพรุ่งนี้หนูขอไปงานแต่งได้ไหมคะหนูจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าขนมหวานในงานใช้นมสดของเราทำคุณนายซาพานก็จะได้แนะนำหนูให้กับแขกในงาน เดี๋ยวจะใส่ชุดสวยที่สุดที่หนูมีและเดินไปในงานด้วยความมั่นใจเราทํางานหนักทุกคนควรชื่นชมเราทุกคนจะได้รู้จักหนู อ, อ่าอย่าเพิ่งสร้างวิมานในอากาศเลยนมบัวของเรายังไม่ไปถึงหมู่บ้านนั่นเลยเพราะครัวก็ยังไม่ได้ริ้มรถนมบัวแต่หลานกลับคิดไปไกลว่าทุกคนจะชอบขนมที่ทําจากนมบัวจะทํายังไงกับหลานคนนี้ดี ขอโทษค่ะคุณยายหนูจะเอานมบัวไปส่งนะคะอานี่จำเอาไว้นะว่าอย่าทำนมหกแม้แต่หยดเดียววันนี้นะ่ะเรามีนม อ, อยู่แค่นี้แล้วก็อย่าหยุดพักถ้าไม่จำเป็นด้วย ยายรับปากกับครอบครัวซาพานชไว้แล้วถ้าเราไปส่งนมบัวไม่ตรงตามเวลาลืมเรื่องเงินสองเท่าไปได้เลยงานแต่งก็จะไม่ได้ไปถ้าทําผิดสัญญายายก็จะไม่กล้าสูนหน้าครอบครัวซาพันชไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะคุณยายหนูจะดูแลถังนมนี้ให้ดีเลยไม่นานเราจะร่ำรวยกับครอบครัวซาพานชค่ะครอบครัวซาพันชจะต้องซื้อนมจากเราค่ะอ๋อ oh. จำเอาไว้นะกีตาหนูรู้ค่ะหนูรู้อย่าเพิ่งเศร้ามิมาในอากาศไปก่อนนะค่ะคุณยายระวังตัวด้วยนะถนนในหมู่บ้านเต็ไมไปด้วยหินเล็กหินน้อยกีตาชอบกลิ่นของดอกไม้และเบอร์รี่แต่เธอขี้เกียจเดินไกลอถนอนนี้สวยจังเลยอ๋อแต่หินทำให้เท้าเราเจ็บไม่เป็นไร ไม่นานฉันจะสร้างบ้านอยู่ในเมืองจะได้ไม่ต้องเดินไกลฉันจะรวยคนรวยไม่ต้องเดินกีตา้าเดินไปทำเพลงไปอออถังนี้หนักจังเลยไม่เป็นไรฉันจะซื้อกียนไว้ใช้ให้วัวลากเกวียนไปให้ฉัน ฉันก็จะนั่งบนเกวียนสบายๆแบบคนรวยเขาทำกันกีต้าเดินต่อไปเรื่อยๆจนใกล้ถึงหมู่บ้านอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงความรวยแล้วอ้าจะเอาเงินที่ได้เพิ่มไปใช้อะไรดีนะอืมซื้อวัวเพิ่มอีกไหมนะไม่ถ้าซื้อวัวเพิ่มก็ต้องรีดนมวัวแล้วก็ไปขายที่ตลาดอีกงานหนักไป ซื้อไก่แม่ไก่ดีกว่าใช่เอาเงินที่ได้ในวันนี้ไปซื้อแม่ไก่ได้หลายตัวเลยอืมล้วจะเอาแม่ไก่ไปไว้ที่ไหนดีล่ะต้องทําเล้าไก่เล็กๆแล้วจะสร้างยังไงอืมอ้าพรุ่งนี้ที่งานแต่งขอให้ครอบครัวซา พ, พานช่วยทําให้ก็ได้นี่นาไหนๆพวกเขาก็ต้องใช้หนุ่มบัวของเราอยู่แล้วนี่คนใช้เขาก็น่าจะเยอะ จะเอาแม่ไก่ไว้ในแล้วแม่ไก่ก็จะออกไข่จากไข่ก็ฟักเป็นลูกไก่แล้วก็จะมีไก่เยอะกว่าเดิมทีนี้ก็จะเอาไก่ไปขายไก่ขายราคาดีฉันก็จะได้เงินเยอะจากการขายไก่จากนั้นก็จะเอาเงินไปซื้อกวนเอาไว้ใส่ไข่ไก่นมวัวไปขายที่ตลาดพอมีเงินเยอะก็จะจ้างคนใช้กับแม่บ้านได้ก็จะได้เป็นคุณนาย จะรวยกว่าคุณนายซาพานช์ด้วยผู้ชา ย, ร, ยรวยๆก็จะมาขอแต่งงานแต่ฉันก็จะปฏิเสธไม่ขณะที่กีตา้าเพ้อฝันว่ากำลังปฏิเสธนนุ่ ม, มเธอส่ายหัวไปด้วยทำให้ถังนมที่อยู่บนสีสันถังนมแตกละเอียดทำให้นมหกไหลลงผืนกีตา้านั่งร้องไห้ <c oughs> ความฝันของกีตา้า ทั้งแม่ไก่ไข่และเกวียนแตกสลายเหมือนถังนมไม่นะฉันคงไปที่หมู่บ้านไม่ได้อีกแล้วไม่มีนมวัวให้ขายไปงานแต่งพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ด้วยจะบอกคุณยายว่ายังไงดีเหตุการณ์นี้ทำให้กีตานึกถึงคำตอนของยายที่ว่า อย่าเพิ่งสร้างวิมารในอากาศ